มนุษย์สมบัติบงต้นเว้นจากอบายมุขเนอะคาสอนพระพุทธศาสนาถ้าไม่เว้นจากอบายมุขมันก็เป็นทุกข์เผาโลกเผากิบเผาใจตนเองนเองเผทรัพย์สินตนเองนั่นเองไฟไม่บ้านไม่เรือนแผ่นดินมันยังเหลืออยู่ไฟไม่อบายมุขไม่เหลือเนอะไม่เล็ก ไม่ทองคําทองเงินสารพัดสายสร้อยสายตาไม่หมดเ อ, อแผ่นดินก็ไม่หมดที่ดินเลือดสวนในานาก็ไม่ไฟหมด อ, อรัฐบาลท่านทําท่านก็ไม่ได้เอากระเป๋าของท่านมาทําเอาเงินภาษีอากกรของพวกเรามาทําใช่ไหมนั่นแล้จะไปต่อสู้ไม่ได้ทิ้งฟืนใส่ไฟแสงกันมันก็มีแต่เท่านั่นเองถูกไหมออกํา กำเรียนทรายหวานลงที่แม่ น, น้ำมหาสมุทรทะเลมันก็ไม่เห็นเลยใช่ไหมผู้ไม่ใช่ได้ต้องละเมิดสิ้นท่าผู้ไม่ใช่ได้ต้องละเมิดอบายสมุขผู้ไม่ใช่ไดยอยากอยู่ยงคงลกันผู้ไม่ใช่ไดยอยากจะถือเลาอดียามดีผู้ไม่ใช่ได้อยากจะจองเวียนท่านผู้ใด ผู้ไม่ใช่ได้อยากจะถือรับที่อื่นศาสนาอื่นก็คือพระสวัสดาวันใช่ไหมเ อ, อเมื่อถึงว่าสวัสดิบาลแล้วสักคาคามีอนาคามี อ, มอาหารหันก็บานไปเองใช่ไหม เ, ออเมื่อยังไม่ถึงสุปฏิปัโนก็เป็นมนุษย์โลกีใช่ไหมวนเวียนอยู่ในบาบ้านบนบ้าภายเรือในอ่าวใช่ไหมออทําไมเกิดมาอยู่เสมอกัน พระพกรรมและคนข้องกรรมมาอยู่เสมอตันใช่ไหมแผ่นดินก็มีต่ํำมีสูงดอกบัวก็มีทั้งสีเหล่าใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิตูมก็ตูมเต็มภูมิบานก็บานเต็มภูมิมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยดอกบัวสีเหล่าดอกบานบานเต็มภูมิก็คือท่านผู้คนไปแล้วดอกตูมก็คือพระอนาคามิตูลงมาเอกสักทาคามิตูลงมาเอกคือพระทหาร เออคือพระโสดาบันตูอลกมาเอกก็คือมนุษย์ถือผีว่าถือพุดถือธรรมถือสงฆ์บ้างเล่นเล่ห์เล่นผาบ้างยังมีหลายบางทีอยู่พวกนี้เน้ยไม่มีบางทีเดียวเหมือนพระโวดาบันพระโสดาบันก้าวหน้าไปเลยมีบางทีเดียวไอ้พวกอยู่เสมอน้ํามและอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันก็ยังมีหลายบางทีอยู่พระสลิมนะเป็นสันชาติภาพเนี่ย แต่เราจะปฏิบัติถูกหรือไม่เท่า น, นั้นเองสันติภาพคืออะไรจะปัหาสันติภาพที่ไหนไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเออก็เ พ, พราะพุทธศาสนาคําสอนพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติลมสมบัตินิพพานสมบัติสามัคคีสมบัติเมตตาปาณนสมบัติมิจาหายสมบัติพอแล้วสอนมาให้เวียนเวียนกันแล้วกันเหตุ นั่นจึงมีปานาทิบาทอธินารับห้ามไม่รับของกันห้ามไม่ให้ฆ่าแกงกันห้ามไม่ให้พูดมุสาห้ามไให้ร่วงละเมิดกันในทางกามเมสุเมชาจารยห้ามไม่ให้พูดโดปลอกรวงกันห้ามไม่ให้ดื่มชื้นเพราะดื่มเข้าไปมันก็ต้องเป็นบ้าเอามาให้ล็อกปูดื่มเยอะเนี่ยก็เป็นบ้านเนี่ยเนี่ยดื่มมากมาก แต่แม่ดืมมันก็บ้าอยู่แล้วใช่ไหมบ้ากิเลตนั่นบทอาวุธของพระพุทธศาสนาถ้าชาวโลกไม่เช่นหน้าพระเจูลสงครามก็ไม่มีใช่ไหอทหารตำรวจก็ไม่มีเจ้าตรวจก็ไม่มีใช่ไหมเออเรือนจําก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าคุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะุ้งซ้าสะดงขวาพระไม่มีเวรอยู่รอบข้าง เรือนจำก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีที่มีทหารตำรวจอยู่นี่ก็พระมันมีเชื้นห้าได้ไหมไม่มีเชิ้นห้านั่นชาวโลกปฏิบัติไม่ถูกชาวโลกประมาทพระพุทธศาสนาผู้ประมาทพระพุทธศาสนาก็คือประมาทคุณพ่อคุณแม่ของตนนั่นเองรกธรรมอยู่ พระพุทธศาสนาอยู่ยั่งยืนลงเราก็เหมือนอยู่คงคีดด้วยพระพุทธศาสนาพนณะยังพิณะลงจากหัวใจชาวพุทธจะอยู่ได้ดีเราก็เหมือนวัดวัดสุดชิ้นตะกูลพุทธใครรานใครรูกเล่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในธรรมสงและนธรรอ้อมทางใกล้ละทรรมไกลึกและตื้นผลของกรรมอันไม่ดีจะตามบันจงอยู่ชั่วการนานเลยพระพุทธศาสนาไม่ไปอยู่แล้วใช่กฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่ ปูอของทมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่เพิ่งพิงเองอาศัยชาวไตรโรกาอยาประมาทพระพุทธศาสานาเธอนถูกไหมถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสานาเหมือนกันเตือนวิบเวีนก้นหมาแล้วก็พอวิบเวีนได้แต่ผลของกรรมมันไม่ส่งเสริมว่าใครจะถือรับที่ไหนไหนก็าตามเมื่อลมหลุม่านเพลิงลุม่านเพิงก็ตัดฉินให้ ม, มีมีมีอายาการอยู่ี่นั่นด้วยใช่ไหย ม, มีสารตัดสินสารเติสวนอยู่ที่นั่นด้วยทำนีก็ต่ออายุความดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ต่ออายุความช่วยอยู่ที่ใจไม่ได้ต่ออยู่ที่เดีว่าอากาศเลยเข้าใจเป็นทั่วธรรมใจทำดีทำก็ทําใจก็จทําให้ตนใจทำช่วก็ทำใจก็ทําให้ตน โลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์มีความหมายอันเดียวกันจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีแล้วเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีจงเป็นผู้มีอิส ร, ระในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้ด่วน ในทางทำนีเราเป็นผู้ด่วนในทางชจาชั่วเลยเห็ุนั่นหลวงพ่อมันผ้าเฮปซาร่าแล้วว่าผ้ า, า, า, าสลองเอาก้นไปสลองโลดนะจ๊ะพลนวะที่สลองให้มันเบี้ยงนะเมื่อตาขึน้นมันเห็นหงกระสลองตาอยู่กับเขาเหรอพละวะรับตาเขาก็ะสลองมืดพลนว่าม่บอกง่ายๆหรอกหลวงพ่อมันไม่ได้บอ ก, อบอกอางายเลยไม่บอกเขาใจง่าย แพ้่ๆขอๆเรี่ยๆไล้ๆว่ามีอะไหลวงปู่มันเลยกระตุ้นฆาถาก็ว่ามีอะไรหลวงปู่มันเลยสมมติเป็นพ่ะพุเจ้าหล่ะก็เลีายวมันตัวเป็นว่าอย่ังจะไปแค่หวแค่ตายเพิ่งยังไงเพิ่งเรียนวงก้อนเฮ้าหล่ะเป็นบาบอกว่าอย่าไม่มาฮะว่าเหนือมันก็บาปตายละ กับพี <S <S ่บ่าวเอาเงินให้กันด้วยไปบวชพนธิยังเป็นบ่าวว่าอัจารย์ไปบวชก้อนเน่าเหมืนอาที่ไปปุ๊บพันธิยังพนรู้กอนเน่าเข้าสู่วิพญาณสมมติเราพุธกระรูะแลนวก็แล้านครับแต่แค่หูวแค่ตายพนยังไงตัวดียังไงจะไปแคะเปนือนอืม ตัดีจังไลยจะไปบวชไอ้เพ่นเพื่นบวชกอนโตเรอกบวชหลวงอ่ค่าเท้าเพิ่มมาสวดเป็นอืมมากระบ่าเดี๋ค่าท้าไพิมาสวดจะเป็นอาณาโมกันมาจมมาเป็นนะหน่อยว่าเพราะ่กลรายเป็นโทษเสมอนี่อืม อพากแขนใจไปก็ได้แขนพ่อได้พ่อก็พากแขนพ่อศาสตร์กรตายเป็นหัวเป็นกล้วยเปนหมอนหัวเพราะเขาเลยเอาพากแขนพ่อไปฉันเป่งเป่ง พด้เจ้าฟารหันป็นดังออกนอกโลกแค่ห้าดังนึดังว่าใครหลุคใครเยือพอได้เกิแตกมาถาดเจดียาพ่อสีหลอกนั่งประเจา้าซีมมนี่พ่ได้เกิดเป็นข้นสนลว่นอยู่ในลานโกกว่าส้นหนองไอ้เขตเกง เป็นนำไร้แพทย์แล้วกระซางออกออกมาจากคำสอนพระองค์เก่ากันนะไม่ใชเป็นพระรหัา์ไปเมือนี่ก็เล่มกลางพระเจ้ า, าพระเจ้าเลยพระที่ตกงโหลกมือนี่เล่มกลางพระพุทธเจ้าของเราเลยพ้นเทศมาหมดแล้วอือบอกอาจารย์ว่าเออคำสอนใดๆ ใ, ใ, ในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดเฉมทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชืปเป็นในทางที่เหนือโดยไมรย่รู้ตัวสั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่ ร, ouais. รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไ, ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลยเทียบในทางนึกเพื่อให้นึกหลายๆทางนำให้น้องของเมืองบางต่างไรลงสู่มหาสมุทระเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไรรงสู่คําสอนพุทธศาสนา โดยแม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็ยิงอีกไม่ขึ้นอยู่กระผู้รู้ได้แม่รู้ไม่ขึ้นหยกกับผู้เชื่อได้แม่เชื่อพระโสดาบันวศเสดายวางละเมิดสินหาวศเสดยายจะถือยูย่งโคงกับพันว่เสดายอยากถือเหลิอดียามดี วัดเชื้อดายอยากรวงระมิดชี้ถ่าวัดเชืดายอยากรวงระมิดอาวัยยมุกทุกประเภทวัดเชื้อดไยอยากัเชื้อดายอยายกจองเวรผู้ใดเขามาทำพิธสหายก็ไปซักข้าพเจ้าจะไปจองเวรใครกเอเคยจะทำพิธเขาจะสัตว์กราสหายกันไปสักผู้พนตัวระัน เมื่อากูไม่ได้เรื่เียมนั่นงกูเอามื่อเรียมนี่เมื่อแม่นพูดทกุก์คนหนาเมื่อฉันน้องเม่นไผ่ัน้องไผ่แล้วลึกได้เมื่ได้ขวามออกกายสวายเชเวตต่อพระพุทธธรรมพระสงค์อยู่ทรงมือเมื่อมีประมาณแ ล, ล้วฝนทุกไน้าวัตราสงสารรดยรวนหน้ปัจจุบันในศาลนี่ของกาเทินแล้วลึกได้ก็ลอกได้กว่านี้เพราะเป็นขาเป็นขากพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ตรกเงาไม่ ม, มีประมาท เพื่อผลทุกในวัตาทรสงสารในปัจจบุบันศาสตร์ในี่เถิดและรุ่งเรื่อยรุ่เรื่อยพอดีเขาทุนสมบักุลและกายว่าจจใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุมสมบัติในบ้านสมบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงงาพรมีคำว่าเพื่อทุกข์ในวัตจัรงสารโดยดนในปัจจุบันศาสตร์นี่ยเถิดปัจจุบันนัิทปัจจุบันนธรรมอันไหนที่รุดพ้นราะเอกว่าแส ต้องรู้ทำเป็นจริงปฏิบัติทำเป็นจริงลดทนทําป็จริงอยู่ทุกเมื่อเม่มีประมาณก็ขาดเธอมันก็ล้มนี่แล้วเสีเียนชือซ้ายก็ล้ซ้ายเดียวหลวงปฏิบัติน่ะจิตปจิบันะธรรมันไหนที่รู้ทำเปจริงปฏิบัติตามป็นจริงลดทนทําจริง้อยไม่เหลืองรู้ทํเปจริงปฏิบัติทำเปจริงลด้นทำเปจริง้อยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่ออปฏิบัติเพื่อเพิ่มปัญหามันมาหลายเลย พระเจ้าบัสเพื่ออัจจัยชีกี่วันบินธบารเนาสนาธนะราบยศฉนเสริญปัญหามากลายแล้วผู้เห็นภายในวัตาสงสารอย่างเต็มที่ก็เปิดประตูข้ามสะพานอย่างเต็มที่แล้วะผู้เห็นเพลินในวัตาสงสารก็คือผู้นอนหลุมฐานเพือในวัตาสงสารนั่นเอง สุขในวัฏจักงสารไม่ไหมพระหันหาสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปกบไม่เห็นเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของจนไปซักทําชั้นสูงทําชั้นสูงก็ศีลชั้นสูงก็สมาธิชั้นสูงก็ปัญญาชั้นสูงเหมือนกันทําชั้นต่ําต่ําก็ศีลชั้นต่ําสมาธิชั้นต่าปัญญาชั้นต่าเหมือนกัน ศีลสมาธิปัญญามันร่วมพ้นกันอยู่ศีลอยู่วันไหนสมาธิก็อยู่วันหันปัญญาก็อยู่วันหันศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมันในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันนั้นท่านศีลพระวนาเขาไม่ตัวเดียวนะขันธ์เทําแล้วเขาไปบวกด้ใจข้อนีเ้เทําแล้วเขาไปบวกด้ใจท่าก็ ความสุขทั้ล้วก็เป็นบวกด้วยใจไม่ได้โยนอื่นโยนยีนฝ่าอากาศแน่ว่าวันจมวันฟัวฉันวันอุกกาบาตวันโลกะเวน่อคำามือนด้เป็นวันอุกกาบาตวันโลกะเวนากันเศรษฐีก็ว่าขอท่านกินที่มันบวได้เมื่อสิ้นหายอ่าวตัวเศรษฐีก็เข้ากัน กระสันพัสดาวบันก็ไม่เป็นผู้ที่ชอบตนหนาที่สักขท่าค า, ม, า, ค า, ม, ามี่นะามี่อาหารหมดมือได้วันดีปีดีเดือนดีก็จังเรียนตำแนงคือเราเรื่องมุนี่มันเป็นเรื่องของศิลปศาสตร์เป็นเรื่องของข้ามค้ามสอนพระที่เจ้าว่ามี้มี่จ่ายเว้นนะฮะกินในคำฝันมัน ทำการงานในทางที่ชอบฟั่งควพระเสียสะเสียไส้เลนเล็กเงินฟ้าฝั่ฝันเสียพันเสียหมืน่นฟังฟ่งฝั่งอวกของอื่นๆขอชิ้หายเื่นกันฝ้ใหม่บ้านใหม่เมืองมันที่ดินมันยัง่งฝ้ายไม่ใช่ไปฟ้าก็ยัง่งที่ดินไม่บดเอารดแม้ถึงสายซอยซ้ายตาวของแม่ปันนายจะบุรุษโบราณเงินขีบเงินห้างหม่บด เงินมาขอข อ, ข อ, ข อ, ขอเขาความแว่นวมดนะไม่วัดอรอเใครจะไปสลาดตอนนี้พุทธเจ้าที่ำทำชาสลาดก็พุทธเจ้าเลยพระเจา้ากัญตายนี่กู มีผูท้ทำไร่พระพุทธศ า, ส, าธสนาใดบอมีผู้ปวดน้ำลายขึินฟ้าไดบอโอ๋แตมีผู้วดน้ำลายเถิงฟ้าไดกัมีผูท้ทำไร่พระศาสนาไดน่ะมันะ ไ, ไปทำไร่ได้พระพุทธศาสนามันเช่อานกับทำไร่ไม่ได้โลกวัยมรรคหกตอนนั้นเาย่งซีนเป็นพระปฏิจัยก็ได้เราวิทยมรรคหกมาหนัก่นชี้สารประปิจก็นนะ มสงสัยพระพุทธศาสนาสงสัยเห็นยังมีผู้ควงคอนจะเห็นด่านได้เพราะสันมีผู้ควงคอนใท่ก๊กเสาได้เพราะสนควงไก่แมนเาท่านควงไก่นักเพาเอกลบท่านแมนบนั่นใครจะทำลายพระพุทธศาสนาได้ก็ทำลายจะทำลายได้จากของมาทำลายพวอื้อมอะไรนะ เป็นอย่างจึงไม่ผู้เหลื่อมสายว่าพุทธศาสนาน้อยแท้เพราะเหตุอะไรจึงมีผู้ถือพุทธศาสนาน้อยนะักเพราะเหตุอะไรจึงมีมแมลงผู้มแมลงเพื่อนน้อยนะักทําไมจึงมีมแมลงวันมากเมก็อันเดียวกันนะก็เพราะกรรมของใครของมันกรรมโมนาวัติโกโกะถ้าโลกเป็นไปตามกรรมในไตรโลกธาุ่ มันก็ต้องมาเรื่อมใสพระพุทธศาสานาหมดมันจึงจะสำเร็จพระหันเนอะโอ้ยหลายเลยมันลวงไปหลายแหละเนื้อพระกำลังถูกเอาเลขแล้วหรอมันบ่าถึงแล้วมันมองเป็นพระเลขออพระเลน่นเลขชูเขาลักษาศีลยุบานบ่ได้ พระเนี่ยเาลงเร็่องเรียบเสียบสู่รักษาชกานมาไลยล่วงวลนหกว่นยุตัยวก็โยอมยมยังยุทเทิงอยู่ย่อมกระตบขึ้นกันย่อมน้อมเร่อเรีพระกาเลนย่อมกาเรีนพระยุตัยมเย่มยุทธงเทิงหยีบวัวพระอยู่ กกว่าบอกว่าวัตถุขึ้นกันบอกกับพิษบอกกับแปลว่าเฮ็ดประสดแล้เขาหาไม่ขาเจา้าว่าเหรอนันแมนดอืขอขันบอกให้ขาเจ้ากับพิษด้วยขาเจ้าซื่อถือกับพิษข้าเจ้าซื่อว่ตถุกับ พ, พิษพิษทั้งสองทางมันเป็นมนุษย์ได้บัตัวเล็กคนทั้งหลายบอกหงจักคนทั้งหลายคพบพระพุทธศาสน า, าปรแตดแม่เจ้าหน่ายก็ยังบอกหงจักด้วย ยั ง, งส่งเสริมญาติโยมส่งเสริมหลกบาสสร้างไฟให้เรียนเรียนไาเรียนวัดเรียนเบอร์จอน่ายกับบ้อ้จับก็จะสร้างชีพหายให้กันคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุมสมบัตินิ่ผ้านสมบัติพวกผ้าแห้งแล้ว คนเท่าหันมาเห็ดแทนเป็นมนุษย์นิบัตเป็นสวรรค์นิบัตรเป็นพุทมนิบัต ร, เ ป, มมตรเป็นนิพพานนิบัตรขบคําสอนพระพุทธเจ้าบตกเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาเรียนเลขเรียนฟ้าเรียนบัดเรียนเบอมันก็ไปกันบางไงไม่ได้คิดฝ้ายไวบอทเจมไม่สฝากเป็นดินด้วย เห็นเกิดแก่แ็บตายรอบนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งโลกเต็มไปรลยเกิดแก่แคบตายเห็นดินหนามไฟร่มขณะคิดหนึ่งเคยเห็นโลกรอบนึงโลกเต็มไปด้วยดินหนามไฟร่มรวมโลกเต็มไปด้วยสังคขารและกองทุกข์สิมหาความสุกในโลกนะมันมาเห็นพณะหันหามมป้อแห้งแล้วมันมาเจอมาเจอบ๊อบป๊าป๊ามีแต่ทาคว่ำเบือนายคว่มหลงเจ้าของท่านมีแต่เฮี้ยนทิชาเขีดหลามท่านั้นแหละ มื่อียนวิชาเพิ่มเพิ่มในโรคเพิ่มเพิ่มน้ำล้มจานเพิ่งอะเพิ่มเพิ่มในกองทุกข์เคล็ดลับในกองทุกข์ทุกเกิดทุกแก่ทุกแคบทุกตายทุกโลภทุกโกรธทุกหลงนี่วิชาเคล็ดลัเคล็ดลเบจะได้ยังไงเมื่อมาเกิดอีสเมื่อเหลื่อมไส์ทีมาเกิดอีสเรียกว่าเคล็ดลับ เชืหลราแบบเย็นเย็นได้ในโลกล้วนอานิจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ ๆ, ๆ, ดๆนโลล้วนอนัตตาแล้วสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทมสันสูงหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เห็นทางไตรลักษณ์ครบแล้วเป็ว่ายทบองการ อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอยู่เป้าเดียวกันในปัจจุบันเราถอยุคนนละมุมโลกนะครับเนือครับเอ็นกรับกระดูกกระยุบบ้นเดียวกันเพราะมันสือยุคคนละมุมโลกเกิดแก่เก็บตายก็ <tinc S 1> นยุคบ้นเดียวกันก้อนดั้งหงมีอะไรเกิดแก่เก็บตายอะไรมันคนละก้อนก้อนบ้ามันบ่าเทียงกับแมตตอันเดียวกันก้อนทุกแมตอันเดียวกัน โลกก็บแม่อันเดียวกันกายโลกหลวงประคั้นกว่าหลวงประโรคกว่าหลวงประถมก็ว่าหลวงประถาดกว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลีนและแตกสลายไปนามธาตุกว่านามธรรมกว่านามขันก็ว่านามโลกกว่านามเอ็นทพีกว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลีนและแตกสลายไปรูปขันนามขันนอกจากรูปขันนามขันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรจะแปรปลีนไม่มีอันใรจะหน้าไป นอ ก, กนอกจากนอกจากรูปสังขาร น, นามสังขารก็อันเดียวกันนอกจากรูก ป, ประโลกนามปโลกก็มีความหมายอันเดียวกันรูก ป, ประทัดนามประทัดก็มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นได้ก็แปรปรวนและแตกสลายไปมันมีอันไหนต่างยูุได้หน่อยหนึ่งพ่อยญ้าถลายหักมุดเพ่ผ้าว่าเกิดขึ้นมาได้อั น, นั้นต่างตื่นติวมีตะไลรองอยู่ลงหองมันรจายใช้ก็ไปพอ่อจะก่อนแก้ก่อนเย็ยบก่อนตาย ทำไมสัตว์ท้างหลายจึงมีตาเพราะชอบเลียงแลดูรูปทำไมสัตว์ทัางหลายจึงมีหูเพราะชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทัางหลายจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นทำไมสัตว์ทัางหลายจึงมีเล้นเพราะชอบเลื่มรถทำไมสัตว์ทัางหลายจึงมีกายเพราะต้องการโผทะพมากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งทำไมสัตว์ทัางหลายจึงมีใจเพราะ ชอบนึกคิดไม่อิ่มไม่เบื่อเลยส่วนพระอรหันท่านเบื่อเลี่ยวตาเป็นศักว่าตาตาหงษุหงเลี่ยงกายใจถ้าไม่เย็นยะนเป็นเราเป็นเขาเป็นสักเป็นบุคคลท่านก็ขํามทะเลหลงไปสักแต่พวกเข้านากูหงษุจมูกูเลี่ยงกูกายกูใจกู่ฝันนกเขาฝันคันนกเป็นไหนกูกูกูกูกูแล้วแดงมาแสดเรา สูดออกไปจ่อยสักสเขียงใส่เขียงก็แถียงขึ้นมากูกูกูไปหน่อยเรีย้วเขาไปหน่อยไปจับตนแก่ก็แก่แก่แก่ไปหน่อเพื่อพูดเขาเนี่ยจับมันพูดไปบุ๋ล่ะว่าพูดเขาเหรอใช่ไหมกพูดเขานจับมันเขาไป่พูดไหนบุ๊กครับผมเนี่ยละมว่ากับจับไปเป็นผมบุ๊กแตยังว่าใส่ตัวเข้าอันนี้ฉันเถาเจ้ามันใส่ดี่เป็นดิฉันเน๊ะ ยังว่าสมมติใส่ขำดินดินดินดินว่าครับๆับมันมาบนดินแนม่นมไปๆลมๆบอกว่าใส่ซื้อเพื่อหัเจ๊บพ้าไหมกันดินทางนนเนี่ยฝนฝนแล้วฟันนังเองกระดูกเน่กระดูกว่าพอใจตาฟังฝืนใจปลอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหมายอันเข่านี่ยดินทางในนี่ น้ำขังไหลก็ดีเสด็จน้องเลือดเหนือยมึงค้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำมกน้ำไข้ข้อน้ำมูดไฟขังไหไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายสุตโฉมไฟที่ยังกายให้โกรธวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยลมลมพัดขึ้นบางบวนลมหายลมเลอลมอวกลมพัดลมเรื่องต่ำลมในท่องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกผู้ขานี่เนี่ยเป็นธาตุดินผู้ขานี่เราเป็นธาตุน้ำผู้นิานี้เราเป็นธาตุไฟผู้ขานี่เราเป็นธาตุลม แล้วจะไม่ยึดถือออกผู้ข่าเป็นสมบัติพระพยารนาเนพญากิจตลาดมันก็บบ่า้ว่าอะว่าห้องเป็นว่าเู้ห้อเลธนา ส, ญญาสัญญาสังขารวิญญาเกิดขึ้นแล้วก็ไปพัวนี่ยจตกสลายทำไฟเกิดไฟรับก็เกิดก็รับพระละวาบมไม่ไรถ้าไฟเพ่เกิดเพ่อกับรับกับ่เกิดเ่รับพระลาวามมไม่มไดเป็นจริงที่มัมีกระแว่เงเคลื่อนมรองธรรมะมไม่เอว่าง ใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และผู้ไว่รู้ไม่เป็นหน้าที่ของธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นจะมาเยียงวอนให้รู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นมาได้อันนั้นตังตือติวมีแต่ไร่ลองเหลี่ยวลองหองบรรจายบร่นันเดินจำเนียงมา ที่แรกเขาไปอยู่ในท้องแม่เรียนตำแนีงมากไอยู่ในท้องแม่เป็นกัลละเป็นอัมพุทธะเป็นปัญญาสาขาคือกิ่งเลนเนีไงแกเข้ามากไงเขาแกเข้ามากค่ะเขาใช้ประคอเนี่ ย, าาายสามเดือน ที่เดือนหาเดือนฮอกเดือนมากเ่ะแกมากแกมาเรือนตำแหน่งมาเรือนตำแหน่งมาจนออกมากเดือนตำแหน่งมาเดือนตำแหน่งมาเปลี่ยนบ่าวเป็น่ยาวเดือนตำแหน่งไปเดือนตำแหน่งมากเดือนตำแหน่งเขากองไฟด้วยหายไปหาผู้หาความสุขในโลกคณะทหารทั้งหลายหาความสุกในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะ ไม่เห็นเลยเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักมือเท่าอะไรมูอห้องอะไรมาจกต า, ก, า, ากันจินอยูย่นี่ญาติกันจินอยู่นี่ญาตินชีจินเนี้ยวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธระรมภาริยาสองพระคำไปแล้ว ม, มูอห้องอุ้มก็มาขึ้นนอนไม่ญาติกันจินอยู่นี่ทึงหัวหลดนึงหัวดํา มื่อนี้ใกล้จะตายก็บังเทงบังเทียงอ่านแม่นบอกบายได้ด้วยนี่ใกล้ใกล้จะตายก็มือเศร้าอ่านบอกสวัสดีปีใหม่พือพ่อนเพื่ว่าจะใกล้จะตายกว่าปีกายในี่ใช่ไหมล่ะนั่นสวัสดีปีใหม่ความทุกข์เข็นใจอย่าได้มีเลย เคยปาลบใช่กันมาเป็นวาจาภัยละพระพิ้งเองธรรมะเพื่อให้ลดละกิเลสเพื่อไว้ใช้ให้พรกันฉันเมดชิดเมตตาจะสมปาฐนาหรือไม่สมก็ให้กันอย่างนั้น ควมดีควชั่วนเมื่อขืนอยู่กับสวัส ด, ดีปีใหม่นี้พระญาติจิตตลาดเท็ดดียังดีพระญาติจิตตลาดเท็ดพดีปีใหม่ปีเขาบอกว่ า, วาเอาควมดีมาให้ได้นั่นแน่นบ่นอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจทําดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่ว่วอยู่ที่ใจใช่ไหม จงเปนผู้ใจถึงในทางทาดีจงเป็นผู้ใจถึงในทางทาชั่วเลยนี้กอดถือเทวดาก็ถือนะครับเลขก็เล่นโุลาก็ดื่มทีนี้พวกอยู่ใต้น้ําที่นี่ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ําคือผู้ปฏิเสธว่าไมนมีไม่ไม่มีบาปไม่มีบุญเสียงว่าไม่มีบาปมีบุญไม่ใช่เสียงคำพูดเนะว่าเสียงจอบเสียงเสียมกดตนเองฝังใช่ไหม แต่ว่าดอกบัวเสมอน้ามันก็ไปจากดอกบัวใต้น้ํานั่นเองดอกบัวพ้นน้ําก็ไปจากดอกบัวใต้น้ํานั่นเองแต่ว่ามันมีหลายบางทีท่านจึงไม่รับรักทะพยากรดอกบัวใต้น้ําเพราะมีหลายบางทีบางทีก็โผล่ขึ้นมากบางทีก็เป็นศักษาแห่งปลาแลเต่ามีหลายบางทีเพราะเป็นโลกี ส่วนโพจากน้ำก็คือพระโถดาวันสักคาคามียนาคาเมียพระหรหัมดอกที่บานเจี๋ภูมิก็คือพระหรหัมนั่นมันมีอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยทุกการทุกเวลาเอวังเอาละ่ะทีนี้ไปเข้าใจละนึกว่าจะหยุดก็มาหยุด <c oughs> อ๋อคำสอนพระพุทธศาสนาสอนวัดแล้วในระหว่างฟัวกามีอก็สอนอันไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยเอามาสิเขียงมาดูดูฟัว ก, กเมยียก็สอน สอนเมียก็บอกว่าผัวสอนเมียหนึ่งด้วยยกย่องนับหนึ่งจัดการงานหนึ่งสองแล้วก็ค่อนข้างเขียงของผัวดีสามไม้ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ห้าขยันไม่เกี่ยคร้านในคือการทั้งปวงนั่นนั่นนั่นภรรยามีหน้าที่ทําต่อผัวผัวมีหน้าที่ทําต่อภรรยาหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองโดยไม่ดูหมิ่นสามโดยไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้วยความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแสดงตัวนั่น ใครจะไปะสอนดีเท่าพักสมาเทพบุตรเจ้ า, าไม่มีจึงสมสมพนามว่าโลกวิถูเป็นผู้รู้แก่ปุริสาธรรมาสารถิสัทธาเทวนุสานังเป็นผู้สอนของเทวดาธรรมนุษทั้งหายพระบระมศาสดาสร้างบา ร, รมีมาก็มีพุทธจริย์สามความประสงค์มีอยู่สามข้อพุทธจริย์สามควาประสงค์ก็ดีเกตนาก็ดีความหวังก็ดีหรือความต้องการก็ดีก็มีผลไมาอันเดียวกันพุทธถะจริยาสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยาตัทธจริยาเพื่อจะสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติโลตัทธจริยาก็เพื่อสงเคราะห์โลกนะนะคําสอนของพุทธศาสนาสอนโลกโดยโจ่งแก้งไม่ได้มุ่งมั่นจะสอนแต่ประเทศอินเดียและประเทศไทยก็สอนหมดมก็เข้าระบบการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพว ก, พกขึ้นของชาวโลกไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอีพ่ออีแม่เอ๋ยเราก็พวดอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าอีพ่ออีแม่ก็เป็นภาค ภาษาพักอีสานคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยคือมากับผ้าชัยออกกับว่ากินบดีเหม็นเพราะว่าให้ยลบกันหรอลบเลียมกันหรอแม่นบอกห้คะแนนกันอยูุ่บเดียวที่ย่ำกินแม่นบอกพ่วกินโอ้ยแซีบได้สุดค่ายออกแล้วกินเองบนนู้ดกินไม่ได้แม่นบอนั่นเกิดมาได้อันนั้นตังตื้อเตี้ยวแหละไม่ใจร้องเหลีวร้องหอบ่ตาย อานนอ่านนพี่่าหนาควตายมือได้ยักเถื่อมือละลอยเทื่อผนเด้กคนหน่อยบามันจงประมาทด้วยว่าสั่ันว่าพ่อมก็รำคาญใจเขาออกผลมาสั่งเองค์เจ้าเพราว่านาเห็นคนตายมือละลอยเถื่อเีว่าตัมนพนสมวบอกว่าพ่อมก็ลำคาญใจเขาออกผมันแห้งดีว่าสั่งเขาองค์เจ้าอ่ะอันนี้ผู้เฒ่าพี่มู้เฒาพี่ย่าคตายคนยันมันชี้แสดเพื่อเพราะว่า ด้านบอภูมิพระโสราวันไม่เสียดาย่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดาย่วงละเมิดอบายจมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกรบพันไม่เสียดายอยากจะถือดีอย่างนี้ไม่เสีดายอยากจะถือศาสตาอื่นไม่เสีดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสดายอยากฆ่าขายสคารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์ตัวเลื่อนสัตว์เพ่อขอข้าผูเลีนอาหาร ค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดารบันไม่ใช่ได้ลงระเบิดเลยจิงไหนไม่ใช่ได้ลงระเบิดสิ่งนั้นก็ไม่นักไกเหมือนเราไม่ใช่ได้ลงโดยลุมถ่านเติมมันนักไกไหมมันก็ไม่นักไกทำไมจะไม่เสียด้เพราะเห็นว่ามันมาเป็นประโยชน์เมีต่ทางคิดขายบนล้วนถ้าเห็นอย่างนั้นน้ำจังถิ่แม่พระสดาบันอผู้รับคนสําคัญตัวเป็นพระสดารบันไปเรื่อยๆไปสั่งพระสวดันโสดเดาสดขัดขืีเพราะว่าแม่บอก อือซดพอดดันโซดเอาโสขัดแะเนี้นว่าอือดันเอาจะ่หูโตดันเอาแตุ่่ร่งเอาแต่โตเดาเอาแต่ก้นโตชิวนมือร้านพัชรากระซังครับไปบอกเลขยกกระสูเขาลักษณะเี่ยนหาว่าไงแต่ว่างานไม่ดีนะมึงเขามึงเขาเราว่าไงไมดีนะมึงเขาเออไปป็นทบาทเลยทับทายเคียมๆใช่ปะทากายเขาไปเราบอกเลขให้เขา นันะมันเสิยร่มจตมโลหกขนโม่วอาหรือว่ามันดีเฮ้ขี่กระโยขีกระโมยตัวขีกระไม้รถจักรจังคว่ำเสียสะเสียฟังควฟันเสียฟันเสียมือ ฟังเรื่องอื่นๆก็เคลียรหายกอกันใช่ว่าเนี่ยฟังความฝันอยากกินทางขับฝันมันทำงานในทางที่ชอบฝันไปฝันมาแล้วให้หน้าเราเสียเบิดแม่บอกหาอันหาอันหาวันจะไปขุดขี่กับบุมี่ที่ดินอืแล้วปูมันก็ยังมีบอลคว้อยู่เทากบุมีบัลผูกเครื่อง เ, เ ร, รีนเจไดอะไรบ่มีวันฟู้กเครื่องแอนหมดเพิ่นไปเพิ่นไปมั่วไปเมนน า, นาน้าน้ำเงินล้านเงินล้านขายไปแล้วว่าท่านโดน เ, ดเนีอยรถบ่มีแนวเสียต่อทองไปนาวัานเนาะซื้อๆซื้อไปผู้มาซื้อได้ตัวมันซื้อได้ตัวดีตัวเด้นเบอร์สิง่งจัดเพิ่นถามกันนวันน่ะสีกระโมยกับรถขีกระไม่ะ ผู้นั้นว่ถือเสียตัวตัวถือก็ไม่บ้าแ <c> ม <oughs> ันบอกบ้าเลยเสียเปรียบเขาอืมทำท่าว่าได้เลยเกิด <c oughs> ขึ้นมาได้อันนั่นตังตื่นติวมีแต่ไหลลองเหลี่ยมลงห่องบัรจายักอายสังคารเด๋หหอยเฟ่พั น, น, เ, น, หนหงหงเจาเ้าสมกิเลศไข่ผูกไวงหัวเจ้าเพิงผ้า ขันพ ญ, ญา่าบวหววเห็นนี่มิดมีปิดบังเมื่อได้ฟังคุ้มธรรมนำใจจงแกนจิตใจก็ได้เหงื่อแสงพระธรรมพ่ะธรรทรงความล้มเหล น, นับเมือกลุ่มกลุ่มเกี่ยวเที่ยวใจขันพญ่าเตรียมไหวความล้มเหลวพถอยออกพจาชนาอยู่เรื่อยจนใหญตั้งเที่ยงธรรมกำลังอาจากน้ำมาสางใน้สงสารนับมือหาเมืได้ดวงแกว้วธรรมเจ้าทำเพิ่มบ่ชเฮิร์นน่า น, นลำลักเข็นขัานธรรมเป็นเนพิี่ชนะแท้แท้ทักแข้นแจงแกบใจดอกหน้าแบบนี้ เนีนบ่าในในในโลกล้วนอนิจจังในในในโลกล้วนทุกขังในในในโลกล้วนโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเนีนบ่าสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั่นก็ดับดับในอนาคต สังขารได้เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารได้ก็ดับในปัจจุบันควบว่าวอานันไดว่าวนะอันใดอดีตมันก็ล่วงไปแล้วพูดเดี๋ยวนี้ก็ล่วงไปแล้วนึกขึ้นมาก็ล่วงไปแล้วนั่นคืออันนี้จังใช่ไหมทำายเกิดฝ่ายดับก็เกิดดับผาระหว่างไม่ได้ทำายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับผาระหว่างไม่ได้ใครจะรู้ทตามาจริงหรือไม่รู้ตามาจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และผู้ไม่รู้ไม่เป็นหน้าที่ของธรรมะทั้งหลายจะมาง้องอน ให้ให้รู้ใช่ไหมนั่นทำชั้นสูงอดีตคืออะไรคือขันธทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือขันธทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขันธทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันนันจะโยธรรมผู้ใดเห็นทําในปัจจุบันผู้นั้นแม่งอนญาณคอนแคนแหล่พระพุทธเจ้าเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยแม่นหนือ เห็นเกิดแก่เจ็บตายในปัจจุบันเกิดแก่เจ็บตายในอดีตอะไรอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนไปแน่นว่าโลกมีอยู่ที่ไหนโกรธมีอยู่ที่ไหนหลงมีอยู่ที่ไหนโลกมีอยู่ที่ไหนโกรธหลงก็มีอยู่ในที่นั่น หลงอนไรหลงหนังหุ่มอยู่ได้รอบว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของสุกว่าเป็นของตัวตนว่าเป็นของสวยของงามหลอกล้างออกแล้วซ้องต่างเอาไวเจ้าจะบอกหลอกกับว่าโอาแม่ไหอเนี่ยึ พระพุทธเจ้าพระจึงยืนยันข้าพระเจ้ารูปกายตามเป็นจริงของกายข้าพระเจ้ารูปเวทนาตามเป็นจริงของเวทนารูปสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงของสังขารวิญญาณแต่ข้าพระเจ้ามาติดอยู่พระพุทธเจ้ารูปอดีตตามเป็นจริงของอดีตรูปอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตรูปปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ข้าพระเจ้ามาติดอยู่คำโบราณมัสาร อดีตคืออะไรธรรมะชั้นสูงอดีตคือผู้รู้ล่วงที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงรัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ข้าพเจ้าไม่ติดอยู่ในเงินทั้งสามพระพุทธเจ้าอแค่เข้าฮักูฮังกูฮังกูกับพระปันไปกำเอาแดดเอาลมแม่นว่ทั้งกูฮังกูฮังกูคือนกเขา่ะคือผู้คือพูกเขาผู้เขาหน่ะพระเว่าผู้เขาพู้เขาหน่ะรัชบาลผู้ใครบ่ ข้าวข้าวโลกข้าวโลกก็ไม่ศีลธรรมไปประหอดการตั้งกฎอนไม้ก้หมูก้พนผักก้พวกขึ้นไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอี่พ่ออี่แม่เอ๋ยคุณ พ, พ่อคุณแม่เอ๋ยนั่น น, นเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเลี้ยงเลยลไม่กลัวเลยอตั้งก ฎ, กฎงรรรรอนไม้ก้หมู่ส่งเสริมอบายมุขของพจักปัจจยอือเพื่อน่าทำมมเอาเมือ่อ ทงกุลาเนี่ยก็เห็ดวัลเลนอัปบายมุกะมันมาเปนชิ้อห่วงไฮทกุลาเนี่มันเก็บกี่ยวิ้นห่วงไฮไทยกี่ยว้นหงไฮลาวกะชิ้นหงไฮเาจามาตั้งมึงใ่มันจากวัดายฮะมันยมาคักวมาตั้งเส้หัวหลวงผู้ศรีขนมันจะคักข้ามาตั้งอ็น่มาตองตั้งหัวยศศรีข วมัน <mm ังจะคัดเอาสาตร์เฮียนไปห้องถ้าจะคุคู่ขี่คู่ยหันถือกันอยู่กับอิตาสีผู้เ่าสีถือกันอยู่ไมจะทะเลาะกันเนะหามนานั่งกันได้กี่ยางพกกยกวยตูซากขางกยกยพกระเดนยุหันผมมันนักจะตายประเด็นตัวเุ้ยคนโทสะจัเรียดปะเด็นว่าบาเพื่อนอนออนก็โตร้ายผีอยู่ เพิ่งว่าหั่นถึงแปดชิปดอกเดือรยัดชิปกลัวเพิ่งได้ว่าหั่งถือกันได้ทีไอ้ยมนุษย์สมบัติไม่หลังมนุษยสมบัติอะมนุษย์สมบัติก็เว็นจากเรขได้ให้คนเมื่อเปนจากเลกเป็นมนุษย์ได้บัตรเด็กก็เป็นเทวันได้บัตเป็นพุทธได้บัตรเป็นเนปาลได้บัตรเท่ากันเรกเป็นมนุษย์ได้บัตรเด็กนน้ามาอบาใยมุกมุขะมุขะแปลว่า ชิพหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเป็นปากเป็นทางแห่งความชิพหายเห น, นือมุขะมุขาอันไผ่สิามาเก่งกวันพระพุทธเจ้ามาสอนสอ น, นธรรมารถสมัตสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติบริบูรณ์พระพุทธเจ้าคําสอนใดๆในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมด เข้มทิศีรืม่เทใดกระซี่ ไ, ท ไ, ไปทางทิศเหนือนะคำสอนเทใส่ก็เป็นเมื่อขึ้นคำสอนพระสมมาเทพุทธเจ้าหมดมู้ฮ้าหลงลยใช่หรอมู้ฮ้าเป็นไม่ซาติธิมู้ฮ้าเข้าใจว่าได้อาจารย์บุตรีได้ไงพระสม่าเทพุทธเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติญาภาพสมบัติบุรีบูรณ์แล้วคำสอนปฏิบัติพระท่านไหนก็เป็นข้อผิดมูเฮ้า อันนี้าดเพ่ผ่านสอนมันกลเป็นบมีได้เลยไผ่เก่งกว่าไนกระร้างเถอะเอาขับสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นแวนเป็นกระจกเงาบอกเาสันงว่าเข้ายังาเข้ามายังไม่เข้าใจว่ามนุษย์พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินี่ยานสมบัติอพระพุทธเจ้าเพิ่งว่าได้หามได้เลยอุธาตาเวนทเตทนาง คนมันยอมหาทรัพได้อาจารย์พระพุทธเจ้าส่งสรรเสริญคนมันเลยอันนี้เข้ามันไปมั่นเลีนเลขเรียนภาาเรีนบลัติเลยมวยจักรวรรดิ์ตายวิริย์คนทุกขมัจเจติคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะอุฒิาตาวินทัตเตย์ธนงคนมันย่อมหาทรัพย์ได้อาจารยมันมันไปมั่นเรียนเลขผุนเฮาออืไปมันเป็นนักเล่นหญิงนักเล่นูน้านักเล่นในการพนันผุไปมันทั้งคิดหายผุน มันกับของโมเมนตั้ง้ท่ามันมีไ ป, ไปซีทังขางมันกับไปบรอดที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนในขคนมันเน่มันสอนสอนในขนขีขานเน่ขอหหาทรัพย์ถินเน่ทรัพ ย, ย์่ไหนมาในท่าที่ไ่ชอบอ้านาข้ามเลขทาหน้าข้ามผาอยบนไหมันมีแน่นมันไม่เนไม่ไม่แต่มันข้ามยุ่ น, นละ่ะไฟไหมเลขไหมผา ไฟใบเฮือดใบซ่านมันที่ดินมันยั่งไฟใบเลขใบผาใบวัตรใบเบอร์ที่ดินมันไปจ่อยเฮ้มันว่ายังเนีลูกหลานเท่าบักนึงไม่ทีด่ดินเจ็ดทิพย์ลาดเรียบพุดเดียวนี้อ่าไปเรียนเลขไดเรียนผาแด้เรียนวัดแได้เรียนเบอร์เนีเรียบเรียบพุทธนะันเนาะให้ไปสดจงปองอยู่ ว่าไรนพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเป็นความอยากขึ้นยาผลไปไปกินอันยาพิษเครือบน้ำตาลผลยากอะยาก็กินอันเนี่ยมันดีผลบวนวาได้เลยพระพุทธเจ้าบัดน้สอนให้ว่าบวอยากเลยสอนทางอยากก็หอยากไปไปกินยาพิษผนอันเนี่ยพระพนกินผลพระกินเนี่ยบรญยัติผิดได้ถ้ามันยุ้ตาเป็นผลจักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วทันยุตาวบะ เป็นผู้รู้จักผลรู้จักเป็นผลสุขเป็นผลแหงเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุันี้ท่นทุกเป็นผลแห่งเหตุเดียนเลขทุกเป็นผลแห่งเหตุเรีนเลขนอ่นนับนับสิว่าจะได้เห็นกุญกว่าแมรนจดอกบัวเห็นจหัวเป็นไปผูกอเไรนั่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโผล่ายเพราะแห้งล่ะ เป็นยังกันไปน เ, นเลีะะนเลขก็ฉันรัฐบาลกับรัฐบาลผีบ้าพระป้าซาส้น เ, นเลีนเลขเขาขบอว่าวอุ้งศีละฮะเพียงเพลงหลดนเนี่ยฮะรัฐบาลผีบ้าเ่าฉันทว่ารัฐบาลก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ฉันเป็นพ่อเป็นแม่ประชาส้นก็เป็นลูกก็ฉันพ่อกับแม่เลีนเลข ก, กันพระพุทธเจ้าองค์ไหว่ามันจะเลือดไหมฉั น, นววาาทวารเราประงสัยคำสอนพระเจ้ า, าปีนคำสอนพระพุทธเจ้าบ่าอะ พุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุมสมบัติญาพานสมบัตบิครบพั๊บผัวเขไม่อ่านพุทธเจ้าก็สอนด้วยช่างกางนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยมาพืชร่วมใจด้วย ม, มอบความเป็นใหญให่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวพระพุทธเจ้าส่วนไมีอ่านจากการงานดีช่งก็คนข้างเคียงของผัวดีไหมมาพืชร่วมใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหาไม่ได้ไว้ขยันไม่เกียดข้านในกิจการทั้งพวงอันนี้อันที่พุทธเจ้าก็สอนมันมีบอกครบเม็ดทุพุทธเจ้าก็สอน มิตรัวในทางชีหายมีลักษณะส่ชักชวนดื่มน้เมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มเมาในกัรเล่นเล่นการพนันครบครบมีพระพุทธเจ้าปสอนัดอันพระพุทธเจ้าวอนมีเลยอ่เนี้ยอันนี้มูตัวมันวนทั้งมีไปซี่ทั้งคางอนเอะเอออันเลขผ้ามัดเบอร์ก็ละบ่ได้ฮนีเห็ดจังไหนมักผลนี่ผ้ามันแหงอันละเอียดก้อนอันเห็นได้สิไปได้สร้างโง่ อย่างว่าอันห้าวเกิดมาพ่อแม่หมาาา้าเลี้ยงมาอันเพิ่นเอาเรียกเอาผาเลี้ยงห้าบอสันบอถือว่าเพิ่นเราเป็นคนท่นสมัยอ่นะอันมั่วหาเป็นคนท่านสมัยได้มัลล่วรดกเพิ่นการักษาปรกุมมันท่านโพดไม่ันบอคนท่านสมัยไรอ่ม่วระดกเพิ่นการักษาปรกุมท่านสมัยไรอ่พ่อแม่ห้าวเอาเสียมมายุ่งเพิ่น ชาวหน้าเลี่ยงเท่าไงบัดเท่านี่รักษามระลกพ้นกระบอกกุ้มไ ม, มีให้เอาให้เอาหน้าไปเรียนเลขบัด ไ, ไปยืมหนังสืออันไปยืมไปยืมเงินท่อปศมากนเอามาลงทุนมันไปเรียนเลข ว่ลงทุนไปเร่นเลขพอ่อชงงวดเขากับพอ่พอชงพ่อชงนี่งงวดสงวดมันเสียเขาไปเลยเอาอะไรได้บานเนี่ยนี่ไปเมืะบ้ า, บานี่เสียเอไงนะนี่เขานเขาเอานาไปซะตัวแคพีจงปอง็นม่ยอม้สูอันอันอันสูไปหาพระ้านอัน ให้กูกินน้ำจักโตได้เพราะว่าชูบบอกกูี่กรม่ตัวฉี่ก็ะมเลยันพุ่งตบดถือกับเทียกับบถือกับเทียกั บ, ก บ, กบ ไ, ป ไ, ปไปไปตัวมัวว่าโตถือเสียเปียกมัลายบ้าเาชคนเด่นเด็กนี่แตกคั้เฮี้ยนกันหลายเขาเห็นอีนึงอีนอึงร่างสิบปีหลังนม่เงินนุ้ดล้านเรีนเจนเล่ก เล่นมากเพราะพ่อเราไม่มีเงินไปซื้อตลาดทาเพื่นเดียวกางเกงพื้นเดียวบ่ได้ทายไม่มีนเนี่ยทายหน้าเหมือนแรกยังค่อยอาบน้ำหน้ า, นาเป็นปีเป็นเดือนมากเราไม่สินทายไปสั่งไปทั้งในแ ว, ว, วันจอมโซโซสั่งมูโตะจะกคยเมี่อหมูโตะเป็นเ่งสั่นบอกนี่ไปเรียนเขาดูรู้ เอ้ยมันจิมหายเลขมากถัวก็เม่าแตกกันเท่าหลูกกระแตกไปเท่าทิเท่เรียญห้าเห็นกับหูกับตาห้าเนี่ย่มนี่ทที่นทาเนะสักคั้งไงาเห็นกับหูกับตาห้าวเนี่เอาม า, มาพ่พ่อมัมีเงินไปตลาดเท่ สวยไปสวยไปหางเล่นนะเกีงบัณฑุปฏเจ้าฮนเอกสงเาในไต้กระทาเนี่ยฮเชียพื่อไร้ลยนเอกไฟีบัณุเจ้าไฟจเกีงบุเจ้าพอแม่แม่ห้าวพอาพอเาบกมีเงืนกระตามันหลูกได้วนพอเขายมเป็นนีไฟานพอห้าเน่ยพอห้า เปเนเลขจักเถื่อเห็นพ่อฮ้ไปเรีนเฝ้าบกจักเถื่อโมเห็นพ่อฮ้ไปฟังร่ำจักเถื่อโมเห็นพ่อฮ้สานเสดุงจักเถื่อเข้ามาบตายคจิตายอมือเ้ามืออืนมอนมคิตายจะเจ้าเนยเหมือนากาับกวชิจักวย่าเอาหนาม่พอกินนะเหมืนนพ่อฮ้องเห็นมึงตาหูดูตาเหมืกัน นมัอเศร้าม า, มาตายข้าภาวานาพอแม่ข้ากับตายข้าภาวานาพุทธะบ่ได้ไปไสบาดมือนึงทะเลาะกันแม่หบ่ได้ไปเพศมือนึงกัทะเลาะกันบ่ได้เห็นตรรมหานิกาบรบ่ได้เห็นธรรมภาพมยุทดอกไม้มีธรรมหานิกายบ้านนอกรออ้อมอ้อมรอบวัดด้วพี่น้องห้ามวัดอยู่วัดกุศาจังวัดอุดร นี่มาถ้ามายุทธึงจะเห่าสองสาบคนนะมนับมมาจารยหาวิทยาลัยบดเห็นพอกินเหล่าจัดเือแม่กับเห็นไปฟังร่ำาำพันจัดเือนั่นบัติิตายภาพตายข้าพาจ้าพพุทรรธเ้เมื่อได้กะดีจักเม็ดนักเลงหญิงนักเลงสุรา นักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นเม็ดเกียดข้านทำงานงานในทางที่ชอบอบายามุข ค, คือเหตุเครื่องคิบห้าหกหนึ่งดื่มหน้าเมาสองเที่ยวกลางคืนสามเที่ยวดูกันเล่นสีเล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นเม็ดมักเกียจข้านทำการงานหนึ่งดื่มหน้าเมามีโทษหกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรคสีต้องตีเยียน ห้าไม่รู้จักอายหกทนกำลังบรรญาสองเที่ออกลางคืนไม่โทษถกหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวสองชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียสามชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติสี่เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายห้ามักถูกใส่ความหกได้ความลําบากมากเชื่อดูกันเล่นไม่โทษตามวัตถุที่ไปดูหกรําที่ไหนก็ไปที่นั้นดิดเียที่เป่าที่ไหนก็ไปที่นั้นเฉพาวที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั้น ขาคนชั่วเป็นไมทมีโทษตามบุคคลที่ครบหกหนึ่งนำให้เป็นนักเลงหญิงสองนำให้เป็นนักเลงสุราสามนำให้เป็นนักเลงเล่นการพนันสี่นำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมห้านำให้เป็นคนโกงเขาซึ้งละมกนาให้เป็นหัวไม้เกียรติข้าศ์ทํางานมีโทษหกหนึ่งมักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วก็ไม่ทำงางานสองมักให้อ้างว่าเรานักแล้วไม่ทํงานงานสามมักให้อ้างว่า ยังเช่าอยู่แล้วมาทํางานชีมักใคยอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วมาทํางานข้ามักใคยอ้างว่าระหายนักแล้วมาทํางานงบมักใคยอ้างว่าหิวนักแล้วมาทํางานผู้หวังเจริญโดยพวระกุศลจงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายหกประการนี้เสียนั่นนั่นโหนเอกพระพุทธเจ้าไปเอาไปเฮ็ดเบิร์กชแม่คันมุกฉีกหายเอานั่นนั่นอ่า ตระกูลนั้นมั่งคัง่งจะตั้งยานาไม่ได้เพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่รู้่ะไม่บุรณพัสดุที่คขมข่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสตั้งจตตรีหรือวุฒิทูศีนให้เป็นม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสีประการ น, นี่เสียนั่นนั่นน่นี่นนนนข้อหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วนี่ก็เอาชนาพระตัวเดียวเนี่ สองไม่บรณเพัะสรุษีคำคร่าเนี่ยประตูเดียวก็เอาถนาการเกงเง่นขาดว่อใส่ก็ว่าใส่ว่าบูรณะว่าตาบว่าฝูงไหวเสือไม่ตะพื้นตะพือ้อเอาประตูเดียวนี่ก็เอาถนาสามไม่รู้จักในการบริภพในการเอไม่รู้จักเอบริภพไม่มรู้จักการประมาณในิภพบริภพประมาณหาได้หาไปใส่เสียบวงรูดขันมันย่างเหงาอืมอืม ชีตั้งรุตทูศีนให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนมาสี่มีเงิ่อนต่างพันร้านก็สร้างไอ้พ่อเฮื่อนก็เรียนเลขสรไม่ไ้เฮื่อนก็เป็นเลขมีเต้นกเล่พบข้องลูกไปบวดวัดตระกูลที่บางข่งมันได้กระตั้งรุ่นน่เมื่อไรพ่สถานสี่ขอได้ขดหนึ่งเอ้าน้ทั้งไงเนี่เอ้าไปจอกจะไปจักคอปรมือเนี่ยให้มันไหลกลัวจตักหัอข้อมาใส่กลัวฝนสิตกว่ามันกะเฮงถืว่ายงไรเสอาหาแต่ว่าจอกายปองได้เน่ย ทำผมเมือ่อกี้น่ะเอาไปจอผมดูน้ำทั้งสิ่งเสร็จก่อหล่อนั่นเขานี่เสืยอลานเปอร์เซ็นไล่พระพุทธเจ้าขุนเดาขุนเดาขุนเดานะฮับาเซียเ ส, ยอส ม, มอเนี่ยเอาผู้มัสสวัสดาบันฑ์ไม่จังไรสันเอาผู้มัสสวัสดาบัณหนึ่งไม่เชื่อใจถือศาสตราอื่นสองไม่เสียดอย่าจะร่วงละเมิดศีลห้า สามไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพสี่ไม่เสียดายอย่ากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรห้าไม่เสียดายอยากจะคบมิตชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาหกไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องปหารค่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นเื่อนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพชการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวัสดาบาลไม่ใช่ไดร้วงละเมิดเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชิบหายไม่เจริญสิ่งไหนที่ไม่ใช่ไดร้องละเมิดสิ่งนั่นก็ไม่หนักใจนะยู่ว่าเราไม่ใสียใจลงลุยลงลุยรุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจ เราไม่ใช่ได้เอาน้ําลายที่วันเที่ยงแล้วมากินอีกมันนักใจไหมมันก็ไม่นักใจความดีคนดีทํำได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายมันตรงกันข้ามอุจรารปัสสาวะมาแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงพึ่งมันไม่ฝันเลย อ, อีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยนั่นั่นัน่ง น, น, น, น, น แต่ท่านเสียมท่านเจริญกับหงจักเฮ็ดจังไหนมันจังสีเลิศเจริญสันนิพอยไม่ากูเอ้ยท่านคิดหายกับย่างพ่กหงจักท่าเจริญกับพวหั่นหงจักเฮ็ดจังไหนมันจังสีเจริญเสนอเอ้ยมันไม่ได้หรอกอันนี้เหตุนั้นเพ่อนจังวะสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบมันว่าอันนี้มันเป็นมิาทิฏฐิต่อเฮ็ดพิดเป็นสอบเพาว่าเห็นกงจักปลาแม่นดอกบัวเห็นเจ้าหัวไปไปผูกเอาเล็กมนบอก่าะนั่น ว่าอีกคอมเมนอีกแม่บอกบอว่าอีกคอแเมนอีกนะูกล้วยงาสุตาผ้าโลมันจะเป็นเปโตเพดเน่าไนหม้อนะข้าสอนเอาพระเจ้าเชียร์สวัสดีูกแล้วงลูกแล้ยงยาเด้อไปสั่นูกล้วยงาสุตาผ้าโลมันจะเป็นเปโตเพดเน่าในหม้อฉันพเรีนเล่นเรีนฟ้า สูสูเขารักษาชิ้นหายอบายเมื่อใดได้ให้อมายยมุขชุกชุมในโลกามนุษยาโรเกะเขวจกักทมคำสอนของพระบรมศาตร า, ารนนมีค่าล้ำนอและชนเหยียบย่ำตีเป็นเลขเป็นผาใช่ไหมเอาแตงเอาได้ไดไหนอัน น, นี้พุทธเจ้าว่ากันหลานพ่ะองค์ก็มาสอนนันเดียวกันคงพอเราบอกกันเลยล่คือ้เช้าโลกเข้าเลยเ้าโลกเข้าพุน่น ตังกงคนไม้เ็สองวันที่ลอยเจ็ที่หาบนยังว่ น, นทันไดท้าวสมุเอนี่กูดึงไปเมือ่อหนึงว่าอยู่นั่นพุทธเจ้าอันนี้น็ม้าว อ, อันเดียวกันบับบบบดพุทธินีพ่อแห่งแลยตัง้งคนไม้ป่นคำสอนพุทธเจ้ามันไปว่ารอดเลย <S <S ทูตโมทังโกทูตโมทังโกอันน้่านาพระทรรมชงอันนี้านพระ ท, ท, ทั้งชงอันนีน้่าน ผู้ทชงในผ้ลาด่ตรชงในผ้พลาดปาดผูแทะทาแทะคือเขาเนี่ยโอ้ยกะขัวอย่ไปตามภาษาผู้เ่าไปชังแั่แหะลูกหลานเหนือยนั่น